แปลพอให้ได้ความหมายในเบื้องต้นว่าการเกิดขึ้นพร้อมแห่งธรรมะทั้งหลายโดยอาศัยกันการที่สิ่งทั้งหลายอาศัยกันอาศัยกันจึงเกิดมีขึ้นหรือการที่ทุกเกิดขึ้นเพราะอาศัยปัจจัยสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันมาปฏิจจสมุปบาทเป็นหลักธรรมอีกหมวดหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงในรูปของกฎธรรมชาติหรือหลักความจริงที่มีอยู่โดยธรรมดา ไม่เกี่ยวกับการอุบัติของพระาศาสดาทั้งหลายพุทธพจน์แสดงปฏิจจสมุปบาทในรูปของกฎธรรมชาติว่าดังนี้ตถาคตทั้งหลายจะอุบัติหรือไม่ก็ตามธาตุคือธาตุหลักนั้นก็ดำรงอยู่เป็นธรรมะทิฏฐิเป็นธรรมนิยามคืออิทัปปัจจยตา จถาโคตรัสรู้เข้าถึงหลักนั้นแล้วจึงบอกแสดงวางเป็นแบบตั้งเป็นหลักเปิดเผยแจกแจงทําให้เข้าใจง่ายและจึงตรัสว่าจงดูสิเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีละจนถึงภิกษุทั้งหลายตาตาภาวะที่เป็นอย่างนั้นอวิฏฐาตาภาวะที่ไม่คลาดจากการเป็นอย่างนั้น อ น, นัญยาตาภาวะที่ไม่เป็นอย่างอื่นคืออิทัปปัจจะตาดังกล่าวมานี้แหละเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทคำว่าอิทัปปัจจะตาเป็นชื่อหนึ่งของหลักปฏิจจสมุปบาทแปลตามตัวอักษรว่าการประชุมปัจใจของสิ่งเหล่านี้หรือภาวะที่มีอันนี้อันนี้เป็นปัจใจ ในคาภีฉันรองลงมาบางทีเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าปัจจัาการแปลว่าอาการที่เป็นปัจจัยความสำคัญของปฏิจจสมุปบาทจะเห็นได้จากพุทธพจน์ว่าผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นปฏิจจสมุปบาท ภิกษุทั้งหลายแท้จริงอริยาสาวกผู้ได้เรียนรู้แล้วย่อมมีญาณอย่างรู้ในเรื่องนี้โดยไม่ต้องเชื่อผู้อื่นว่าเมื่อนี้มีนี้จึงมีรนี้เกิดขึ้นนี้จึงเกิดขึ้นละจนถึงเมื่อใดอริยาสาวกรู้ทั่วถึงความเกิดและความดับของโลกตามที่มันเป็นอย่างนี้อริยาสาวกนี้เรียกว่าเป็นผู้มีทิฏฐิสมบูรณ์ก็ได้ ผู้มีทัศน์สมบูรณ์ก็ได้ผู้หลุถึงสัทธธรรมนี้ก็ได้ว่าผู้ประกอบด้วยเสขยานก็ได้ผู้ประกอบด้วยเสแขวิชาก็ได้ผู้ประกอบกระแสธรรมแล้วก็ได้พระอริยะผู้มีปัญญาชํำระ ก, กิเลสก็ได้ผู้อยู่ชิดประตูอมตะก็ได้สมณะหรือพราหมณ์เราไดหล่าหานึ่ง รู้ชัดธรรมะเหล่านี้รู้ชัดเหตุเกิดแห่งธรรมะเหล่านี้รู้ชัดความดับแห่งธรรมะเหล่านี้รู้ชัดทางดําเนินถึงความดับแห่งธรรมะเหล่านี้ละจนถึงสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นแหลจึงควรแก่การยอมรับว่าเป็นสมณะในหมู่สมณะและยอมรับได้ว่าเป็นพราหมณ์ในหมู่พราหมณ์และจึงได้ชื่อว่าได้บรรลุประโยชน์ของความเป็นสมณะ และประโยชน์ของความเป็นพรามด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันอย่างไรก็ดีมีพุทธพจน์รัสเตือนไว้ไม่ให้ประมาทหลักปฏิจจสมุปบาทนิว่าเป็นหลักเหตุผลที่เข้าใจง่ายเพราะเคยมีเรื่องที่พระอานต์เข้าไปกราบทูลพระองค์และได้รัสตอบดังนี้น่าอัศจรรย์ไม่เคยมีมาเลยพระเจ้าคะ่ะ หลักปฏิจจสมุปบาทนี้ถึงจะเป็นธรรมะลึกซึง้งและปรากฏเป็นของลึกซึง้งก็ยังปรากฏแก่ข้าพระองค์เหมือนเป็นธรรมะง่ายๆอย่ากล่าวอย่างนั้นอานนนปฏิจจสมุปบาทนี้เป็นธรรมะลึกซึง้งและปรากฏเป็นของลึกซึง้งเพราะไม่รู้ไม่เข้าใจไม่แทงตลอดหลักธรรมข้อนี้แหละหมูสัตว์นี้จึงวุ่นวายเหมือนเส้นด้ายที่คอดกันยุ่ง จึงขมวดเหมือนกลุ่มเส้นได้ที่เป็นปมจึงเป็นเหมือนหญ้ามุงกระต่ายและหญ้าปล้องจึงผ่านพ้นอบายทุกขติวินิบาทสังสารวัติไปไม่ได้ผู้ศึกษาพุทธประวัติแล้วคงจำพุทธดำริเมื่อครั้งหลังตรัสรู้ใหม่ๆก่อนเสด็จออกประกาศพระศาสนาได้ว่าครั้งนั้น พระพุทธเจ้าทรงน้อมพระทัยไปในทางที่จะไม่ทรงประกาศธรรมดังความในพระไตรปิฎกว่าภิกษุทั้งหลายเราได้มีความดารีเกิดขึ้นว่าธรรมะที่เราได้บรรลุแล้วนี้เป็นของลึกซึ้งเห็นได้ยากรู้ตามได้ยากสงบระงับประณีตไม่เป็นวิสัยแห่งตักกะละเอียดบัณฑิตจึงจะรู้ได้ ก็แลหมู่ประชานี้เป็นผู้เริงรมอยู่ด้วยอาไลยินดีอยู่ในอาไล ร, ระเริงอยู่ในอาไลเรื่อระเริงอยู่ในอาไลเช่นนี้ฐานะอันนี้ย่อมเป็นสิ่งที่เห็นได้ยากกล่าวคืออิทัปปัจจยาตาปฏิจจะสมุบาทแม้ฐานะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เห็นได้ยากกล่าวคือความสงบแห่งสังขารทั้งปวง ความสงัดอุปัติทั้งปวงความสลัดอุปัติทั้งปวงความสิ้นตัญหาวิราคะนิโรดนิพพานก็เถ้าเราเพึงแสดงธรรมและคนอื่นไม่เข้าใจซึ้งต่อเราข้อนั้นก็จะพึงเป็นความเหน็ดเหนื่อยเปล่าแก่เราจะพึงเป็นความลําบากเปล่าแก่เราพุทธะเดมฤติตอนนี้กล่าวถึงหลักธรรมสองอย่าง คือปฏิจจสมุปบาทและนิพพานเป็นการย้ำทั้งความยากของหลักธรรมข้อนี้และความสำคัญของหลักธรรมนี้ในฐานะเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้และจะทรงนำมาสั่งสอนแก่หมู่ประชา